ทุวักหมวดว่าด้วยทำที่ดีและทำที่ไม่ดีหนึ่งสาธุสูตรว่าด้วยทำที่ดีและทำที่ไม่ดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทำที่ดีและทำที่ไม่ดีแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่ไม่ดีอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฐิเห็นผิดสองมิจฉาสังกัปปะดมริผิดสามมิจฉาวาจาเจรจาผิดสี่มิจฉากรรมมันตะกระทาผิดห้ามิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดหกมิจฉาวายามะพยายามผิดเจ็ดมิจฉาสติ รลึกผิด 8. มิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิด 9. มิจฉาญาณนะรู้ผิด 10. มิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ดีธรรมที่ดีอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาธิทิเห็นชอบ 2. สองสัมาสังกัปปะดำริชอบ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 หลุดพ้นชอบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ดีสาธุสูตรที่หนึ่งจบ 2. อ, อริยธรรมสูตรว่าด้วยอริยธรรมและอนริยธรรม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 อริยธรรมอริยธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง10สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาริยธรรมอริยธรรมสูตรที่สองจบ 3. อกุศลสูตรว่าด้วยอกุศลธรรมและกุศลธรรมภิกษุทั้งหลาย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 กุศลธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิและถึง 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากุศลรธรรมอกุศลสูตรที่สจบ 4. อัตตสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นประโยชน์และที่ไม่เป็นประโยชน์ภิกษุทั้งหลาย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 ทมที่ไม่เป็นประโยชน์ทมที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิและถึง 10. สัมมาวิมุตติภิกสุทั้งหลายนี้เรียกว่าทมที่เป็นประโยชน์อัตสูตรที่สจบ 5. ธรมมสูตรว่าด้วยธรรมและอธรรมภิกสุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมและอธรรมแกเธอทั้งหลาย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 สิบสัมมาวิมุตติภิษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมธรรมสูตรที่หจบ 6. สาสวะสูตรว่าด้วยธรรมที่มีอาสวะและที่ไม่มีอาสวะภิษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีอาสวะและธรรมที่ไม่มีอาสวะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีอาสะวะอะไรบ้างคือหนึ่งมิชาทิฐิละถึง10มิชาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีอาสะวะธรรมที่ไม่มีอาสะวะอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฐิละถึงสิบ สมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทำที่ไม่มีอาสวะสาสวะสูตรที่หจบ 7. สาวัชสูตรว่าด้วยทำที่มีโทษและที่ไม่มีโทษภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทำที่มีโทษและทำที่ไม่มีโทษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีโทษอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฐิละถึง10มิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีโทษธรรมที่ไม่มีโทษอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฐิละถึงสิสัมมาวิมุตติ ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าทาที่ไม่มีโทษสาวัตถสูตรที่เจ็ดจบ 8. ตบป น, นียสูตรว่าด้วยทาที่เป็นเหตุและไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทาที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนและทาที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนอะไรบ้างคือหนึ่งมิชฌาทิฐิและถึง 10. มิชฌาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฐิและถึง สิทธสัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนตปนิยสูตรที่8ดจบ9อาจยยาคามิสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติปฏิสนธิและนิพพานภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุดติและปฏิสนธิ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 ธรรมที่เป็นเหตุใหถึงจุติและปฏิสนธิธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฐิละถึง 10. สิสัมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาจยะคามิสูที่เกจบ10ทุกขทรยะยสูตว่าด้วยธรรมที่มีทุก และที่มีสุขเป็นกำไรภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีทุกข์เป็นกำไรและธรรมที่มีสุขเป็นกำไรแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะ ก, กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีทุกข์เป็นกำไรอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฐิละถึง สิมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีทุกขเป็นกําไรธรรมที่มีสุขเป็นกําไรอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฐิละถึง10 ส, สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีสุขเป็นกําไรทุกขุทรยะยสูตรที่สิบจบสิบอ็ ทุกวิปากสูตรว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์และที่มีสุขเป็นวิบากภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากและธรรมที่มีสุขเป็นวิบากแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ธรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิละถึง10มิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากธรรมที่มีสุขเป็นวิบากอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง10สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีสุขเป็นวิบาก ทุกขวิปากสูตรที่11จบสาธุวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวรกนี้คือ 1. สาธุสูตร 2. อริยธรรมสูตร 3. าอกุศลสูตร 4. อัฏฐสูตร 5. ธรรมสูตร 6. สาสวะสูตร 7. สาวัชรสูตร 8. ตปณียสูตร 9. อาจยคามิสูตร 10. ทุกขุทะระสูตส11ทุกขวิปากะสูตร 5. อริยมขวักหมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรค หอริยมรรคสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรคและที่ไม่ใช่อริยมรรคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นอริยมรรคและธรรมที่ไม่ใช่อริยมรรคแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ธรรมที่ไม่ใช่อริยมรรคอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฐิเห็นผิดละถึง10มิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ใช่อริยมรรคธรรมที่เป็นอริยมรรคอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฐิเห็นชอบละถึง10สัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าทมที่เป็นอริยมรรคอริยมรรคสูตรที่หนึ่งจบ 2. การหามรรคสูตรว่าด้วยทมที่เป็นฝ่ายดำและที่เป็นฝ่ายขาวภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทาที่เป็นฝ่ายดำและทาที่เป็นฝ่ายขาวแกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่เป็นฝ่ายดำอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฐิละถึงสิมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายดำธรรมที่เป็นฝ่ายขาวอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฐิละถึงสิบ สัมมาวิมุตติภิกสุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายขาวกานหามัคูตรที่สองจบสามสัทธธรรมสูตรว่าด้วยสัทธธรรมและอาสัทธรรมภิกสุทั้งหลายเราจะแสดงสัทธรรมและอาสัทธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอสัตธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งมิชาทิฐิและถึง 10. มิชาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอสัตธรรมสัตธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฐิและถึง10สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าสัตรธรรมสัตรธรรมสูตรที่สจบ 4. สี่สปุริสัธรรมสูตรว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมของอสัตบุรุษอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฐิและถึงสิมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมของอสัตบุรุษธรรมของสัตบุรุษอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฐิและถึงสิสัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า ธรรมของสัตบุรุษสั ป, ปุริสัตธรรมสูตรที่สจบ 5. อุ ป, ปาเทตัพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรใี่เกิดขึ้นและที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นและธรรมที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงริตรัสดเรื่องนี้ว่าธรรมที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอะไรบ้างคือหนึ่งมิชาทิฐิและถึงส0มิชาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฐิละถึง ส0สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นอุปาเทตัพสูตรที่ห้าจบ 6. อาเสวิตตพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและที่มีควรเสภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรเสพและธรรมที่มีควรเสพแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง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 และถึงสิสัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรเสพอาเสวิตตพสูตรที่หจบ 7. ภพาเวตบพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรเจริญและที่ม่ควรเจริญภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมที่ควรเจริญและธรรมที่ม่ควรเจริญแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่ไม่ควรเจริญอะไรบ้างคือหนึ่งมิชฌาทิฐิละถึงสิ 10. มิชฌาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรเจริญธรรมที่ควรเจริญอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฐิละถึง สิสัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรเจริญะเวตัพะสูตที่เจจบแปดภูรีกาตาสูตว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้มากและที่ไม่ควรทำให้มากภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรทำให้มากและธรรมที่ไม่ควรทำให้มากแกเธอทั้งหลาย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 1>, 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 10. สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรทำให้มากพระหูลีกาตัปภสูตรที่ 8. จบ 9. อนุสริตตัปภสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรระลึกและที่ไม่ควรระลึกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรระลึกและธรรมที่ไม่ควรระลึกแก่เธอทั้งหลาย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 1. สัมมาทิฏฐิละถึงส0สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรระลึกอนุสริตบพสูตรที่เก้าจบ 10. สัจจิกาตพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้แจ้งและที่มีควรทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลาย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 นี้เรียกว่าทำที่ไม่ควรทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึงสิบสัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทำที่ควรทําให้แจ้งสัจจิกาตพระสูที่สิบจบอริยะมะขวระที่ห้าจบรวมพระสูที่มีในวร์ดนี้คือหนึ่ง อริยมรรคสูตร 2. กันหมรรคสูตร 3. สัทธรรมสูตร 4. สปุริสธรรมสูตร 5. อุปาเทตพสูตร 6. อาเสวิตัพสูตร 7. ภาเวตพสูตร 8. พหุลีกาตพสูตร 9. อนุสริตพสูตร 10. บัาธิกาตพสูตร ตติยปันนาจบบริบ <minority> ูรณ์ 4. จตุทะปันนาห 1. ปบุคลวักหมวดว่าด้วยบุคคล 1. เซวิตตพสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรเซฟพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการเป็นผู้ไม่ควรเซฟทำสิประการอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. มิจฉาสังกัปปะดำริผิด 3. มิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. มิจฉาคามันตะกระทำผิด 5. มิชฌาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. มิชฌาวายามะพยายามผิด 7. มิชฌาสติระลึกผิด 8. มิชฌาสมาธิตั้งจิตมั่นผิด 9. มิชฌายานะรู้ผิด 10. มิชฌาวิมุตติหลุดพ้นผิดภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการ น, นี้แลเป็นผู้ม่ควรเสภ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 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ 9. สัมมายานรู้ชอบ 10. สัมมาวิมุติหลุดพ้นชอบภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แหลเป็นผู้ควรเสพเซวิตตพสูตที่1จบสองถึง12 ส, สอง พระทีตับพาที่สูตรว่าด้วยบุคคลที่ควรครบเป็นต้นภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการเป็นผู้ไม่ควรครบและถึงภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการเป็นผู้ควรคบบุคคลประกอบด้วยธทำสิบประการเป็นผู้ไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลประกอบด้วยทำสิบประการเป็นผู้ควรเข้าไปนั่งใกล้ บุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการเป็นผู้มีควรบูชาบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการเป็นผู้ควรบูชาบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการเป็นผู้มีควรสรรเสริญบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการเป็นผู้ควรสรรเสริญบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการเป็นผู้มีควรเคารพบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการเป็นผู้ควรเคารพ บุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการเป็นผู้ไม่ควรยำเกรงบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการเป็นผู้ควรยำเกรงบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการเป็นผู้ไม่ควรให้ยินดีบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการเป็นผู้ควรให้ยินดีบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการย่อมไม่บริสุทธิ์บุคคลประกอบด้วยธรรมสええิประการย่อมบริสุทธิ์ บุคคลประกอบด้วยทำสิประการย่อมครอบงามานะไม่ได้บุคคลประกอบด้วยทำสิประการย่อมครอบงามานะได้บ yes. ุคคลประกอบด้วยทำสิประการย่อมไม่เจริญด้วยปัญญาบุคคลประกอบด้วยทำสิประการย่อมเจริญด้วยปัญญาบุคคลประกอบด้วยทำสิประการย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากทำสิประการอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฐิ 2. มิชาสังกัปปะ 3. มิชาวาจา 4. มิชากรรมมันตะ 5. มิชาอาชีวะ 6. มิชาวายามะ 7. มิชาสติ 8. มิชาสมาธิ 9. มิชายานะ 10. มิชาวิมุตติภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการ น, นี้แล ย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบุคคลประกอบด้วยทำสิบประการย่อมประสบบุญเป็นอันมากทำสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากรรมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิ 9. สัมมาญาณะ0สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิประการ น, นี้แลย่อมประสบบุญเป็นอันมากพชิตตพาทิสูตรที่สองถึง12จบปุคละวัตรที่หนึ่งจบ สชานุสโสนิวัคหมวดว่าด้วยพราหมณ์ชื่อว่าชานุสโสนิหนึ่งพราหมณนปะัจโจโรห์ น, นิสูตรว่าด้วยพิธีลอยบาปของพราหมณ์สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อว่าชานุสโสนิสงน้ําดําหัวในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ยืนถือคำย่าคาสดอยู่ณที่สมควรเมื่อไกลพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นแล้วได้ตรัสถามชาญวโสนิพรานดังนี้ว่าพราหมณ์เพราะเหตุไรหนอท่านจึงสงน้ำำําดําโหในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ยืนถือกรรมญ่าคาสดอยู่หน้าที่สมควรวันนี้เป็นวันอะไรของตระกูลพราหมณ์ชานุสโสนิพรามกราบทูลว่าท่านพระโคโดมวันนี้เป็นวันลอยบาปของตระกูลพราหมณ์ พมพิธีลอยบาบองพรามทั้งหลายเป็นอย่างไรท่านพระโคโดมในวันอุโบสถพรามทั้งหลายในโลกนี้พากันสงน้ำดําหัวนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ทาแผ่นดินด้วยโคไม้สดลาดด้วยยากาคาที่เขียวสดแล้วนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟในราตรีนั้นพรามเหล่านั้นลุกขึ้นแล้วประคองอัญชลีนอบน้อมไฟสามครั้งด้วยกล่าวว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข อ, อลอยบาปต่อท่านผู้เจริญและบำเรอไฟให้อิ่มน้ำด้วยเนยใสน้ำมันและเนยข้นจำนวนมากพอล่วงราตรีนั้นไปจึงเลี้ยงพรามทั้งหลายให้อิ่มน้ำ America. ด้วยของเคี้ยวของบริโภคอันปราณีตท่านพระโคดมพิธีลอยบาปของพรามทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลพรามพิธีลอยบาปของพรามทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่ง พิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านพระโคโดมพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประทานวโรกาสขอท่านพระโคโดมโปรดแสดงธรรมที่เป็นพิธีลอยบาปในอริยวินัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวชาณวสุนิพราหมณ์ทูลรับสนองพระํารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพราหมณ์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าปานาติบาศการฆ่าสัตว์มีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละปานาติบาศลอยปานาติบาศ 2. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าอาทินนาทานการลักทรัพย์ มีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละอาทินนาทานลอยอาทินนาทาน 3. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ากาเมสุมิชฌาจาร์การประพฤติผิดในกามมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละกาเมสุมิชฌาจารลอยกาเมสุมิชฌาจาร์ส พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามุสาวาทพูดเท็จมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมุสาวาทลอยมุสาวาท 5. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าปิสุนาวาจาคำส่อเสียดมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละปิสุนาวาจาลอยปิสุนาวาจา พิจารณาเห็นดังนี้ว่าภรุสวาจาคาหยาบมีผลชั่วทั้งในภพน e ี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละภรุสวาจาลอยภรุสวาจา 7. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าสัมผัปลาปะคาเพ้อเจอมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละสัมผัปลาปะ ลอยสัมผัสปลาปะ 8. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละอภิชาลอยอภิชา 9. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าพยาบาทความคิดร้ายมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว จึงละพยาบาทลอยพยาบาท 10. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาทิฐิเห็นผิดมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาทิฐิลอยมิจฉาทิฐิพราหมณ์พิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างนี้แลชาวนิโสนิพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคโดม พิธีลอยบาปของพรามทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปของอริยวินัยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปของพรามทั้งหลายย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่สิบหกแห่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยนี้ท่านพระโคโดมพาสิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพรามณปจโจโรหนิสูตรที่หนึ่งจบสองอริยปจโจโรหนิสูตรว่าด้วยพิธีลอยบาปของพระอริยะ ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงพิธีลอยบาปอันเป็นของพระอริยะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพิธีลอยบาปอันเป็นของพระอริยะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ปานาติบาตมีผลชั่ว Legal. ทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละปานาติบาตลอยปานาติบาต 2. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าอธินนาทานมีผลชั่ว Final. ทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละอธินนาทานลอยอธินนาทาน 3. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า กาเมสุมิฉาจารมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละกาเมสุมิฉาจารลอยกาเมสุมิฉาจาร 4. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามุสาวาทมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมุสาวาทลอยมุสาวาท 5. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า ปิสุณาวาจามีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละปิสุณาวาจาลอยปิสุณาวาจา 6. พ, 6. พิจารณาเห็นด <Luckily. d use everyday> ังนี้ว่าพรุสวาจามีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละพรุสวาจาลอยพรุสวาจา 7. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า สัมผัปลาปะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละสัมผัปลาปะลอยสัมผัปลาปะ 8. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าอภิชามีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละอภิชาลอยอภิชา 9. <sl ope> พิจารณาเห็นดังนี้ว่า พยาบาทมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละพยาบาทลอยพยาบาท 10. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิชฌาทิฐิมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิชฌาทิฐิลอยมิชฌาทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าพิธีลอยบาปอันเป็นของพระอริยะ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 ท่านพระโคโดมอะไรหนอเป็นฝั่งนี้อะไรเป็นฝั่งโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามหนึ่งปานตาิบาตเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากปานตาิบาตเป็นฝั่งโน้นสองอธินนาทานเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากอธินนาทานเป็นฝั่งโน้นสากาเมสุมิชาจารเป็นฝั่งนี้ เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิชฌาจารเป็นฝั่งโน้น 4. มุสาวาจเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากมุสาวาจเป็นฝั่งโน้น 5. ปิสุณาวาจาเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากปิสุณาวาจาเป็นฝั่งโน้น 6. กภรุสาวาจาเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากภรุสาวาจาเป็นฝั่งโน้น7 สัมผัปลาปะเป็นฝั่งนี้เจตนางดเว้นจากสัมผัปลาปะเป็นฝั่งโน้น 8. อภิชาเป็นฝั่งนี้อนัภิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาเป็นฝั่งโน้น 9. าพยาบาทเป็นฝั่งนี้อพยาบาทความไม่คิดร้ายเป็นฝั่งโน้น 10. มิชาทิฏฐิเป็นฝั่งนี้าามมนนนนสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเป็นฝั่งโ น, น้นพราม นี้แลเป็นฝั่งนี้นี้แลเป็นฝั่งโน้นในหมู่มนุษย์เราชนผู้ไปถึงฝั่งโน้นมีจํานวนน้อยส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งนี้ทั้งนั้นส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบชนเหล่านั้นจะข้ามพ้นวั ต, ตะอันเป็นบ่วงมานที่ข้ามได้แสนยากจากถึงฝั่งโน้นบัณฑิต ละธรรมดำแล้วพึงเจริญทำขาวออกจากวัตฏะมาสู่วิวัฏฏะละกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวลพึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้ยากยิ่งบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลายบัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลายไม่ถือมัน่น ดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกสคาระวะสูตรที่สามจบ